น้ำจิตหล่อล้อมใจดวงใจทุกดวงที่เป็นสิทิ์ยาในสิทธิขององค์หลวงตาให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ให้ได้สร้างพระเยดีย์เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาถ้าพวกเราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างก็ผู้ที่ตายไปแล้วก็มีมากต่อมากเพราะมันหลายคนที่เป็นลูกธิดลูกหาหลวงตาที่เก่าแก่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย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 โลกไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดขาะร่างกายตัวเองยังไม่ถูกใจตัวเองถ้าจะให้ถูกใจตัวเองก็จะแกะส่สิอย่าเจ็บสิอย่าตายสิบอกได้ไหมมันก็ยังบอกไม่ได้ขาะร่างกายตัวเองแล้วสิ่งอย่างอื่นสิ่งอย่างอื่นล่ะอย่าให้มันถูกใจเราอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมันมองเห็นได้ทะลุปูปลงไปทั้งหมดน่นละ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 เฉียวชนคนบ้างอะไรลักษณะอย่างนั้นเราดีใจมากถ้าลูกของเรากินเหล้าเมายาเที่ยวสั ม, มเลเทเมาอย่างเราเป็นเนี่ยเราจะภาคภูมิใจอย่างมากเอถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเมื่อเราเป็นเรามีครอบครัวขึ้นมาแล้วลูกเราเป็นอย่างนั้น่ะเราเสียใจถ้าลูกของเราเป็นอย่างที่เราเป็นเดียวนี่เราไม่รู้จะทํำยังไงนั่นแหละสิ่งเหล่านี้เราต้องคิด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 เอาไปถลุงไปขายเอาไปจำนองจำนำพ่อแม่นี่ยยังไม่ตายเลยตายเลยเป็นทุกข์ช้ำอกช้ำใจผลให้สุเขเลยช้ำอกช้ำใจตา ย, ตายก่อนเ <c oughs> พราะว่าเสียเสียใจกับการกระทำของลูกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านีนะ้ผู้เป็นลูกทั้งหลายต้องคิดนะอย่างลุงพ่อเนี่ยวงุงพ่อของสูเจ้าทั้งหลายนะ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 ท่านก็ขูท่านก็ดุแต่เราก็ยอมรับนี่แต่เราก็ว่าเราไม่ทำไม่ทาอะไรเสียหายเราก็อยู่ในทําให้ถูกโลกสมมุติอยู่นะแต่ถึงยังไงก็ครูบาอาจารย์แนแนวความคิดของท่านท่านก็ดุด่าว่ากาวาคือละคือท่านไม่อยากจะให้เราหลงลืมตัวจนเกินไปอย่าให้หลงละเลิงในทางด้านวัตถุจนเกินไปเราก็รู้ แต่ว่าเราก็พยายามอยู่ในกรอบแต่ถึงยังไงก็ตามโค้งสุดท้ายจริงท่านก็นยังยอมรับยอมรับได้ท่านท่านไม่ยอมรับนะท่านคงไม่ให้พิ่นายกรรมไม่ให้พิณนายกรรมหลวงพอ่ออันนี้ท่านยังมอบพวามไว้วางใจว่าให้จัดการงานศพของเราให้จัดการนะท่านมอบบกบง่งบุ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 มิกิลยามารายาตอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่ในกฎหมายอย่างนี้พ่อแม่ก็ไว้ไว้ใจไว้ใจได้ในระดับหนึ่งแต่จะให้ท่านไว้ใจถึงร0อเปอร์เซ็นต์ก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะ60สิเ็ดเปอร์เซ็นต์กันนั่นะก็นับว่า ด, ดีแล้วนะอันนี้ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นลูกลู ก, ล ก, ลกทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็เถอะนะ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 เกิดมากับคนโง่ก็จริงแต่ว่าท่านมีแววเพราะท่านดวงใจของท่านคือพระโพธิสัตว์เ่จากนั้นท่านก็นไปเรียนศึกษาก้าวหน้าจนได้เป็น เ, เสนาบดีอํมมาศของพระเจ้าแผ่นดินแต่นี่นไปจูไปพระเพลิงพระเจ้าพเาพเาลิรับให้เป็นเสนาอํมมาศเพราะผลงานของเขาเด็กหนุ่มคนนี้ก็ปัญญาดีจริงๆ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 บอกให้นําพ่อเข้าไปนะผมจะไปเฝ้าก่อนจากนั้นลูกชายกันไปถึงกับสวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินแล้วกัยืนอยู่ข้างหนึ่งจากนั้นก็พวกทหารก็นําพ่อของอํามาตย์ใหม่เนี่ยปโปรหิตใหม่เนี่ยเข้าไปเข้าไปโปโรหิตใหม่ก็เลยแนะนํา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 ถ้าพระพุทธองค์อถ้าพระองค์ประทานวัวให้อีกก็คงจะคงจะได้มากพระเจ้าขา่าในี้มีวัวอยู่ตัวเดียวยังจะประทานให้พระองค์อีกอออกมาให้เราอีกแลว้วงัวตัวเดียวเอจากนั้นพร ะ, พระเจ้าเป็นเองก็รู้ความหมายเพราะว่าพระพรามเนี่พูดผิดว่างั้นเถอะทั้งที่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 ในเมื่อเราอยู่ในสถานะไห น, นสิ่งเหล่านี้นะมอบให้พวกเรานำไปคิดนำไปพิจารณาและก็พร้อมกันพวกเราอย่าลืมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกคำว่าเกิดอีกคำนี้แหละทำให้พวกเราอย่าไปจุดจบอยู่สุดส่วนใดส่วนหนึ่ง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 ออกพระไทยออกจากใจของท่านแล้วคือกิเลสราคะโทสะโทสะออกจากตัวโุรุคือนามธรรมปุปตูตตตปปาต ย, ยานการจุติดวงวิญญาณตรงนี้มาจากไหนมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดนวตะสงสา ร, รปุเพนิวา เ, เรามีชาติทุนหลังมเีเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวมีชาติทุนหลังมีชาติที่แล้ว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 หายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทโทถ้าใจมีพุทโธแล้วใจรวมสงบแล้วรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักพรอคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของประเทศชาติบ้านเมืองเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ระลึกถึงเห็นบุญเห็นคุณทั้งหมดถ้าจิตใจของเราเป็นบ้าเหมือนกับหมาบ้าหมาวอ้อนะอกัดดะไปหมดทน